พระอนุบัญญนัติ1236อหอันหนึ่งภิกษุณีใดผู้ไม่เป็นไข่ออกป่าขอน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมเปรี้ยวมาฉันภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่าแม่เจ้าดิฉันต้องทำคือปาติเทสนิยะเป็นธรรมที่น่าตีเตียนไม่เป็นสับปลายะดิฉันขอแสดงคืนธรรมนั้นเรื่องภิกษุณีเป็นไข่จบ